เรื่องพระอาชิตตะสมัยนั้นภิกษุอาชิตะมีพรรษาสิบเป็นผู้ยกปาติโมขึ้นแสดงแก่สงฆ์ต่อมาสงฆ์แต่งตั้งพระอาชิตะให้เป็นผู้ปูอาสนะเพื่อภิกษุผู้เถระทั้งหลาย ภิกษุผู้เถระทั้งหลายคิดว่าพวกเราจะระงับอธิกรณ์นี้ที่ไหนเล่าลําดับนั้นภิกษุผู้เถระทั้งหลายได้ปรึกษากันต่อไปดังนี้ว่าวาลิการามเป็นที่น่ารื่นรมเงียบสงบไม่อึกระทึกพวกเราน่าจะระงับอธิกรณ์นี้ที่วาลิการามครั้งนั้น ภิกษุผู้เถระทั้งหลายประสงค์จะวินิจฉัยอธิกรณ์นั้นพากันเดินทางไปวาลิการามลำดับนั้นท่านพระเรวะัะประกาศให้สงทราบด้วยยติกรรมวาจาว่า